ل و ا فلا يستطيعون س ب ي ل ا وقالوا أذاكنا عظام ورفات وقالوا أذاكنا عظام ورفات จะมาเป็นสุนัขลูกงเารดิ้จ قل قم م ا يكبر في س د و ر ك م فسيقولون م ا ي ع ي د ن ا فسيقولون م ا ي ع ي د ن ا قل الذي فطركم أول م ر قل الذي فطركم أول مرة. فَسَيُنْغِضُونَ إلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ م َ ت َ ه و ى ي ا قُلْ عَسَى أَيْ يَكُونَ قَرِيبًا قُلْ عَسَى أَيْ يَكُونَ قَرِيبًا يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن بثتم إلا قليلا وتظنون إلا بثتم إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له, له وأشهد أن, وأ أن م ح م ا عبده ورسوله اللهم بيك أ ص ح ن ا วับิกะอัมสัยนะวับิกะนามุดุวับิกะนัยยะไวไลกันนุชูร์ Allahumma أنت ربي لا إله إلا أنت خلك تني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعديك ما استطعت أبوؤلك بنيامتك عليا وأبو بذنبي ฟ ف กฟร فإنّه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุณน <ت ص في ق> ้องที่ร่วมงานซบุห์ร่วมานฟ้าร์จาร์ที่รักทุกท่านขอพระหัตถ์ะ ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วให้เราฟื้นขึ้นมาให้เราตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับแต่ดัวะที่เราอ่านเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราตายอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลลอัลฮยานะบะดามาอามะตานาวะอิลัยฮินมุซูร ในดวอาเนี่ยบอกว่าขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ทำให้เราตายนี่เ็าเรียกว่าตายนะตายเล็กๆแต่เรว่าคนตายกับคนนอนหลับเนี่ยเหมือนกันทีนี้ตอนนอนหลับเนี่ยวิญญาณออกจากร่างนะขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ เข้าไปสุญูด ต, ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์อาลัจะให้หัวจะให้วิญญาณออกจากร่างเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงคือก่อนนอนเนี่ยต้องแปรงฟันต้องอาบน้ำน้ำมาแล้วก็นอนตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮุวาซซัมแล้วก็นอนด้วย ตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วก็ค่อ ย, อ ย, อยนอนถ้านอนในสภาพนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอนตามสุนนะท่านนาบีมีตาม น, นมาดด้วยมมลากาก็จะเฝ้าคนนอนนั่นแหละยืนเฝ้าวิญญาณของเราพอเราหลับในวิญญาณก็จะออกไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุภาณาวัวตาล้ขึ้นไปข้างบนไปสุยูตุตตอนหน้าอัลละ คืนนั้นน่คนที่นอนหลับฝันดีถ้าจะฝันก็ฝันเรื่องดีๆทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาสุนนะของท่านนาบีมากำกับชีวิตเราไม่มีน้ํานำมารไม่ได้แปลงฝันไม่ได้อ่านดุอาสามกุญก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้นอนตามสุนนะท่านนาบีนี่ ตอนวิญญาณออกจากร่างนะแทนที่จะเข้าเฝ้าอนะัลลอฮ์เนี่ยไม่เข้านะไปเที่ยวตามบานนะครับหมดสถานที่มันไปเยอะบางทีก็ไปอยู่แถววัดทุ่งเนี่ยไม่ขึ้นทั้งบนออกมันก็ไปสะเปะสะ ป, ปะที่ไหนที่มีมหรสถ ม, มันก็ไปตรงนั้นแหละไปดูแล้วเราต้องการจะให้วิญญาณเราไปไหนมันอยู่ที่ตัวเราเอง วิญญาจะให้ไปในที่ที่ดีๆก็ต้องนักษาุนนะของท่านนาบีแต่ถ้าไม่ต้องการจะให้วิญญาณเราเนี่ยไปใน ท, ที่ที่ไม่ที่ดีมันก็ต้องเอาศุนน์านาบีถ้าไม่ต้องการถ้าต้องการจะให้ไปในที่ที่โสโครปกข่าวบ้านห้ครับเป็นนั่งฟังเพลงแถวๆอะไรเนี่ยที่พวกฝรั่งอยู่เยอะๆที่ไหนนะ ต่อข่าวสารไป อ, อยู่แถวนั้นอ่ะเหรอไหมก็เนี่ยนะครับเพราะเพราเราอ่านทาริสเนี่ยได้ข้อสรุปที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องดูแลวิญญาณด้วยไม่ใช่ดูแลแต่ร่างอย่างเดียวนะครับต้องดูแลวิญญาณให้ดีขอบคุณนบล น, นะครับเรามาทบทวนอัลกุรอานแล้วก็เอาความหมายของอัลกุรอานนะครับ อมาอธิบายกันอายะสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับอายะที่46ของสุรออิสร์เนี่ยขออ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอวักสุดท้ายว่อิละเจคัตระบักฟิลคุรานีอัพดะวลลามอลาอัลบริฮิมโนฟูรอตรงนี้ดีมากเลยพี่น้อง นะเมื่อเมื่อเมื่อเออยถึงเมื่อท่านเออยถึงพระผู้อภิบาลของท่าน z a k a s ร a r บ b a g a เมื่อท่านเออยถึงพระผู้อภิบาลของท่านในอัลกุรอานเออยถึงอัลลอฮ์ในอัลกุรอานอธิบายยังไงอธิบายว่าเราอ่านกุรอาน การรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันมีอยู่สี่แบบนะแบบที่หนึ่งเนี่ยโดยการฟังศาสนาแบบที่สองอ่านอัลกุรอานนั่นกัแบบที่สามรำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดูอาต่างๆสี่รำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการนําเอาความรู้ตะกูลอา น, นี่ไปสอนคนอื่น เรยูกับแฟนก็อธิบายให้แฟนฟังให้ลูกฟังพปเนาะนี่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่อายาเนี้ต้องการจะบอกว่าว่าอ ah ิดะซักัสตารับกัฟิลคุรานวะฮดาเมื่อพวกท่านเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับในอัลกุรอานแต่พระองค์เดียวกับคำพิอัลกุรอานก็พูดถึงอัลลอฮ์องเดียวทั้งหมดแล้วก็พูดถึงนบีมุฮัมมัดทั้งนัน้นแหละ ดิ ป, รออปรุราอันคุณอันพิรนรับอะไรนี้วัลลาอัลลออาดบาริหิมนุฟูรพวกเขาหันหลังแล้วก็ผินหลังของพวกเขาตเตลิดหนีอย่างชิงชังอย่างน่าเกลียดหนีเลยแต่ต้องเสด็อธิบายไว้เยอะคือคนที่ไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยผลกาเฟสเนี่ยมันฟังคุณอ่าน ไม่อยากจะฟังคุรานเนีย่ยเราเห็นชัดเป็นคนเนี่ยไม่เอาแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือชายตอนชาตอนเนี่ยถ้าคนที่อ่านคุรานในบ้านตัวเองเนี่ยชายตอนจะหนีหมดอ่ะชาตอนเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเสียงคุรานไม่ชอบคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ชอบหนีหมดอาจจะนั้นบ้านใดก็าตามนะที่มีอ่านคุรานสม่ําเสมอ อ่านสุรบนาบีก็มาเน้นอีกสุรบปากกร้อนนะอ่าฉะนั้นคนที่อ่านการอัลกรุรอานอยู่เป็นประจำอัล่อยไหมน้องครับตัวเองเนี่ยเข้าใจความหมายของอัลกรุรอานมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นอ่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ของที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้เพราะเข้าใจกรุรอานใช้ตอนนี้ใช้ตอนไม่อยู่ในบ้านบ้านที่คนที่อ่านอัลกรุรอาน ลราอยากจะให้ตัวเองอ่านนะนะแต่บางคนก็นเปิดเทปฟังมันก็ยังดีน่นะแต่ว่าถ้าอ่านเองน่ะดีกว่าเอา้านะะดิสของท่านนบีในบทอื่นๆอลมาดใ้อธิบายรวมความว่าให้สายตาดีเนี่ยหนึ่งให้จ้องมองอัลกรุรอานจ้องเพ่งลงเนี่เพ่งอัลกรุรอานสายตาดีสองเพ่งดูเนี่ยน้าทะเลสีเขียว เนี่ยต้นงต้นไม้เนี่ยสาการจ้องดูกะบะอ่าจะาองดูกะบะเนี่ยมันสงบู้สึกมันอิ่มเอิมใจเนี่ยสามสีรายการเนี่ยเป็นองคาทำให้สายตาของเราดีให้กมะอ่าที่ได้จากการอ่านกุรานศึกษาอัลกุรอานเนี่ยรวมความแล้วมีประโยชน์เกือบทุกรายการเลยเพราะฉะนั้น ข้ออานยาสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วก็คือว mm. ah ่า إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نوفر เมื่อกล่าวถึงพระผู้อภิบาลของท่านในอัลกุรอานแต่พระองค์เดียวหมายความว่าไม่รวมพระเจ้าอื่นๆด้วยนะเจเวตนี่เราไม่เอาพวกเขาหันหลังหรือผลหลังของพวกเขากรดินหนีอย่าง อย่างชิงชังนะครับอะไรนี้ใชยตอนนี้มนุษย์ที่ไม่เอ า, าศาสนาก็ไม่อยากจะฟังอุราอ่านอยากฟังอะไรอยากฟังเพลงอยากฟังละครอ่ามันก็มัน ก, นกขข็ขบวนการนันก็มีอยู่แล้วนะครับอัอมาอายะที่สี่สิบเจ็ดนะฮ์นูอาลลัมบิมายะสตาเมอูนับีนะฮ์นูแปลว่าเรา เรามาถึง Allah, าอาลัลลอ์นะหนูอลเรานี่นะรู้ดียิ่งบีมายะสตาเมหูนะบีฮีข้อที่พวกเขาฟังสิ่งที่พวกเขาฟังเรารู้คืออัลลอ์ต้องการจะอธิบายว่าการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกอิริยาบถนี่อัลลอฮ์รู้หมดเลยเนี่ยเตือนใจ เตือนใจอัลลอ์รู้การเคลื่อนไหวอิทิยาบทของเราแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยใครทำอะไรอัลลอ์รู้หมดนะนี่เล่าให้เราฟังจะได้มีความนึกถึงอัลลอ์จะได้กลัวอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลตรงนี้มีอยู่สามเรื่องด้วยกันอายานี้มีอยู่สามเรื่องอิดยสัสมาเนาะฮิลยกยามเมื่อพวกเขาเงี่ยหู ฟังนบีมุฮัมมัดคนที่ไม่เอาศาสนากับคนที่เอาศาสนาเนี่ยการฟังคุรานเงียหูฟังไม่เหมือนกันนะคนที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยหรือแอนตี้ศาสนาหรือแอนตี้อิสลามหรือแอนตี lam, ้คุรานเนี่ยเวลาก็ฟังคุรานนะเขาแอบฟังเขาแอบฟังไอ้ที่แอบฟังเนี่ยมาใจฟังเพื่อหาความรู้นะ หาอะไรไปนะหาข้อผิดพลาดว่ามันมีข้อ บ, บกพร่องไหมอะไรไหมต้องการหาข้อตำหนิเขาจะหมายในภาษาอุรดูหมายไปว่าฟังกุรอานเพื่อจะหาข้อตาําหนิสองฟังอัลกุรอานเพื่อจะเอามาล้อมุฮัมมัดอามาลอนักอิหม่า ม, มัดถ้าพูดอะไรไม่ถูกหูก็ล้อเลย สฟังอัลกุรอานเพื่อจะตำหนิอ่าเลาะเยาะเยะยดูถูกเกียรติยามอย่างนี้เป็นต้นใช่คนที่ฟังอัลกุรอานแบบนี้นะี่นะยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจอัลกุรอานทำไมอัลลอฮ์เรียกร้องให้ให้คนเนี่ยสนใจอัลกุรอานเพราะกุรอานมันมีให้มากเยอะมีให้ทุมาเยอะอัลลอฮ์มีความดีของกุรอานเนี่ย ฉะนันคนใอ่านกุณอ่านบางคนที่อ่านแล้ว إ ม م ا ن เพิ่มเยอะไหมเยอะมากเลยบางคนอ่านได้คุณอ่านแล้วตะเลิะหนี่มีไหมมีเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เล่าเลยนะคนที่ฟังอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์รู้นะเขาฟังเพื่ออะไรเนี่ยฟังกุณอ่านเรียนเตรียมคุณอ่านนี่เพื่ออะไรบางคนเรียนเพื่อจับผิดคนอื่นแปรถูกเปล่าอันตาวายถูกเปล่า ก็อย่าไปคิดอะไรเยอะไอ้นคนแน่นอนไอ้คนที่จะมาอธิบายคุรุอานก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างอย่างดีนะแต่นี่ต้องการจะอาจจะพูดจะพูดว่าคนที่ไม่คนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะในภาษาอุดูเป็นปรตตาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และไม่ศรัทธาต่อวันอาคิรรนี่นะสองรายการนี่นะหัวใจของเขามีอะไรนะมีปัตตาปดตบ่มหน้า ถ้าปิดหน้ามีประจามาคุมหัวใจของเขาไม่ให้เข้าใจอัลกุรอานข้อที่สองครับว่าอิซฮุมนะจวาอัลลอ์อก็รู้อีกยามที่พวกเขาปรึกษากนหลับลับนะจวาแปลว่าปรึกษากันลับลับนะจวาหลายคนก็ตั้งชื่อลูกสาวว่านะจวาก็มีใช่ไหม ง่ายเดเรียกคนนัจนาจุอาใช่ไหมแต่นัจนาุานี่แปลว่าอะไรนัจาจุอาแปลว่าการปรึกษากนรลับๆขณะที่พวกเขาปรึกษากนรลับๆเนี่ยเอ า, ารู้ไหมดูเอานึกถึงใครผมนึกถึงท่านอับบาสก่อนจะออกไปทางสงครามประท่านนบีแล้วก็เอาเงินฝากภรรยาไว้ แล้วก็ก็ออกไปทําสงครามไปต่อสู้กับท่านนาบีไปแพ้นบีก็จับเป็นเฉลยศึกที่ประชุมของท่านนาบีนี่บอกว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเอาเงินมาถ่ายตัวทีละคนละคนละคนละคนท่านอาบบาสพอเข้าไปหาท่านนาบีบอกหลานเอ้ยตังลุงไม่มีเอามาเล่นนี่ท่าอามา สงครามกับหลานหมดแล้วนบีก็ยิ้มนบีว่าก่อนออกจากบ้านนั้นลุงคุยกับภรรยาแล้วเอาเงินใส่ถุงไว้วางอยู่ในห้องอะ่ะเท่าไรอะ่ะเอ้รู้ได้ไงอัลล์เล่าให้กันฟังหมดแล้วนี่ไงอธิบายยังไงว่าอิสลุมนะจวักขณะที่พวกเขาปรึกษากันลับๆอลัลลอฮ์ก็รู้หมด จะเผยหรือไม่เผยเท่านั้นเองจะนั้นบางสื่งบางอย่างอลัลลอฮ์ก็เผยให้นบีมุ hammad รู้อย่างนี้เป็นตน้นแฉะนั้นความลับไม่มีบนโลกดุริยางคนี้อลัลลอฮ์รู้หมดฉะนั้นอลัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนบัลลังของอลัลลอฮ์แต่ความรู้ของพระองค์นี่อ v e r y w h e r e อยู่ทุกหนทุกแห่งทรงเห็นทุกหนทุกแห่งแล้วก็ทรงรู้ทุกหนทุกแห่งแต่ว่าญาตของอลัลลอฮ์นั้นอยู่บนบัลลังแต่รู้หมด โอ้เดี๋ยวทำเลยแล้วนี่ทามาอิมาของเราเพิ่มขึ้นไหม <ส2015> เพิ่มขึ้นจากการฟังอัลกุรอานนี่แหละพี่น้องเอาตัล้มว่ามีอยู่สามเรื่องด้วยกันนะข้อที่หนึง่งอิดยัสตาเมียวเนีอีเลยยามที่พวกเขาเงี้ยหูฟังนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็รู้เรื่องที่สองว่อิซาฮุมนะจวายามที่พวกเขาปรึกษากันลับลับนี่ก็รู้อีกอัลลอฮ์รู้อีก เรื่องที่สามอิสยาคุลโวลิมูนเมื่อพวกอาธรรมเหล่านั้นกล่าวว่าไอเรื่องกล่าวนีแน่นอนที่สุดรู้ชัดเลยเพราะพูดออกมาใช่ไห ม, มพวกท่านไม่ได้อินตะตะบิอูนอิลลารดุลัมส์ฮูรอวันหลก็เขาปรึกษากันเขาคุยยังไงเขาคุยตำเนีนน บ, บีมูฮัมมัด คุยตำหนินบ um. ีมุฮัมมัดว่าอะไรอินตตะเบยวนะพวกท่านมิได้ตามผู้ใดนอกจากชายที่ถูกอาคมมสูมัสฮูรว่าถูกถูไรนะถูกคาถาถูกอาคมเวลาประชุมกันนะประชุมดานบีมุฮัมมัด ประชุมการลับๆเนี่ยเล่นงานนาบีมุฮัมมัดว่าไปเชื่อมุฮัมมัดยังไงตั้งฉายานาบีมุฮัมมัดว่าสามรายการนะหนึ่งเป็นกาฮินกาฮินแปลว่านางหมอผีพวกเขาใส่ร้าในเบี้ยมาสามเรื่องนะเพราะมุฮัมมัดนำเอาอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์มาสอนเรื่องเนี่ยเรื่องึศา ส, สนาทั้งหมดเนี่ยถูกใส่ได้จากประชาชนที่ไม่เอาที่แอนตี้ น, น บ, บีมุฮัมมัดเป็นอญญายานี้อธิบายไงนะมัสฮูรอแปลว่าเป็นมายากลข้อที่หนึ่งยังไม่พอนะข้อที่สองอกกาฮินในอายาอื่นนะกาฮินแปลว่าไรนะหมอผียังไม่พออีกตั้งอีกมัจญูนเป็นคนบ้าดังฉะนั้นน บ, บีมุฮัมมัดในถูกะลรนะถูก ถูกดาจากประชาชนนี่เอาลอเล่าให้ฟังเลยเล่าเรื่องลับๆที่เขาประชุมกันเนี่ยใส่รายนาบีมุฮัมมัดมีอะไรบ้างเล่าให้นบีมฮัมมัดฟังตัวไงนะโกหกไม่มีอะไี่เพราะนบีเนี่ยได้ชื่อว่าอามีนเป็นคนที่อลัลลอฮ์สืส่อสารไม่ไม่พูดว่านาบีโกหกเพราะมันฝืนความรู้สึก อย่างนี้เป็นต้นตอ น, นั้นสามเรื่องเนี่ยใหญ่ๆมากครับมายากลหมอผีคนบ้าแล้ววันนี้พกกันคนที่เรียนสุนนะทุกด้าก็ต้องอดทนใช่ไหมทําไม่ถูกด่ า, ด ม, ดามันจะของแท้อาสรุปอาย่า น, นี้นะครับสามเรื่องที่พวกเขาทําอะไรไว้อลอรู้หมดฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเนี่ยคนที่เล่นงานนับีมลมฮัมหมัดเนี่ยวันนี้คนแบบประเภทนี้มีไหมมีครับ คนประเภทนี้มีนะที่เล่นงานนบีม a ม o m a ดอยู่ดามุสลิมเล่นงานมุสลิมเล่นงานอัลกุรอานใช่ไหมเล่นงานสุนนะท่านนบีถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้หมดฉะนั้นทําไมไม่ไม่ลงโทษมันคนรุ่นรุ่นก่อนๆเพราะอะไรอัลลอฮ์ต้องการจะให้นี่ประวินเวลาเอาไว้ให้แก้ไขนะให้ปรับปรุงนะให้ตาบ้าตัวนะให้เรียนนะ คนรุ่นก่อนยุคนบีอื่นๆนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษหมดอ่ะอา้าวสมัยฟาโร่ไปไงตายเรียบสมัยนบีบรอฮีมใช่ไหมสมัยนบีนัวจมน้ําตายอัลลอฮ์ลงโทษให้เห็นหมดเดซีเป็นยังไงสมัยนบีลูดลงโทษให้เห็นหมดอ่ะแต่สมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยยกเวนป ร, รอประวิงเวลาไปจนกว่าเขาจะได้กลับเนื้อกลบตัวเรียนนั้น ตตาบ้าตัวเรียนหนังสือหันมาศึกษาหาความรู้อั Akbar. ลลอฮฺอักุบะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุฮานะฮุบะตลทีนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดนีนะสนใหญ่จะอดทนเวลาถูกตาหนิเนี่ยเป็นไงฟาซบาูอลามากุซิบูแต่พวกเขาจะอดทนต่อการที่พวกเขาถูกว่าว่าตอแ้ลบางโกหกเห็นไหม คือไม่เชื่อสิ่งที่นบีอุมมมัดนำเอามาไม่เชื่อนะครับส่วนใหญ่นบีจะทําอะไรนะจะอดทนแล้วก็มองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปใครมาบอกว่ามุามัดจงอดทนนะอ่ะเขาล้อสั่งเลยมุมัดอดทนอดทนมาให้กําลังใจบอกว่าอดทนอดทนอดทนตลอดเวลาแล้วก็ภรรยานาบีก็ให้กําลังใจนบีด้วยนี่งานาศาสนานี่เป็นงานที่อะไรนะ คนงานที่ไม่มีเงินเดือนจากอัลลอ์นะคิดดูสิทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอ์หวังราวัลต่อแทนจากอัลลอฮ์อัลลอ์ก็เมตตาให้ภรรยามาให้กำลังใจท่านนบีบ้างอะไรบ้างสงสารนบีนะนะ่ะเนี่ยนี่พูดเรื่องนบีทั้งหมดนบีมาทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอ์ววันนี้คนที่ทำงานศาสนาก็เหมือนกันถูกถูกฟิตนะแรงนะครับพี่นอ้องเอาต่อมา คำว่ามัสฮูดเนี่ยในตัฟเฟลภาษาอูรดูเนี่ยผมอ่านเมื่อคืนนี่เขาบอกว่านาบีมุฮัมมัดนี่นะเหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับเวลาปวดหัวเวลาเป็นไข้นะเวลาตัวร้อนเนี่ยมันก็เป็นไข่แต่การเป็นไข่ของท่านนาบีหรือตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่เหมือนพวกเรา เรานี่แค่ถวัดกันมาสักหกสิบแปดสบร้อยหนึ่งแต่ของนบีทั้นสองร้อยน่ะถ้าเป็นวัดก็ตเป็นวัดหนักกว่าเราธรรมดามากอีกเท่าหนึ่งถ้าปวดหัวก็ปวดหัวมากกว่าเราอีกเท่าหนึ่งถ้าไข้ขึ้นขึ้นมากกว่าเราอีกเท่าหนึ่งนน่นอัลลอ์ให้กับนบีอัลลอฮ์เห็นอย่างฉะนั้นนบีถูกอัลลอฮ์ทดสอบเยอะนะ มียูนาบีอีกท่านนึงอะนบีอะไรนะยูนุสนบียูนุสป่วยกีป่ปีฮะอายุปนบีอายุอะไรฮิสลามป่วยกี่ปีเจ็ดแปดปีจุกระทางนี่เนื้อหนังนี่อัลลาอักวักเป็นน้ำเหลืองเหม็นไปหมดแต่มีอยู่2แห่งที่ที่ไม่เน่าไม่เสียตากับปาก นี่พ่อไ่อ่านคำอธิบายของอุลมามะเนี่ยนะบางวันท่านสลบไปพอสลบตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาฮขอบคุณอัลลอที่อัลลอให้ฉันสลบไปในช่วงสลบเนี่ยไม่เจ็บพอพอรู้สึกตัวเจ็บสลบไปไม่เจ็บขอบคุณอัลลออัลล แล้วนี่ น, นี่เป็นแบบทั้งหมดเราต้องนึกนะท่านเอาเอานาบีทั้งหมดเนี่ยอะไรนะั้นเป็นฮิก ม, มากทั้งหมดเอามาเก็บไว้ในตัวของเราลำบากอดทนสบัติอดท น, ดอดทนขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์สุนทานอฮุวาตาแหละเวลานาบีไปเป็นไข้ก็ตัวก็จะร้อนและจะร้อนมากกว่าพวกเรานะครับเวลาท่านนาบีป่วยนบีป่วยปวย่ปวยมากกว่าเราแล้วนบีถูกของมันก็เหมือนเมือนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับเรานี่แหละทุกอย่าง แต่พิเศษก็คือได้รับวะฮีจากอัลลสุบฮานาตอลาให้มาสอนศาสนาเท่านั้นเองนะครับต่อมาอายที่สิบสเป็ยุรอิสล็ออุนซุรก а ฟาบรบุลเกอัลอัมเซลฟาดลูฟลา يستطيع ในเสบีเลอุนซุรแปลว่า จงดูเถิดมุฮัมมัดมุฮัมมัดจงดูดูดูดูใกล้ฟรบูละกัลอัมซัลพวกเขาเนี่ยยกอุทาหรณ์แก่ท่านอย่างไรตำหนิน บ, บีมุฮัมมัดอย่างไรน บ, บีเป็นเหมือนคนนั้นเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนั้นน่ะดูสิดูดูสิ ด, ด, ด, สดูดูมันตั้งฉายาแต่ละอันแต่ละอันนหนักนะเป็นกาฮิน เป็นซาฮิสเป็นมัจญจูนดูทิแต่ละข้อแต่แต่แ ต, แต่แต่ละข้อที่พวกเขาตั้งนะ่ะเป็นไงอ่ะหนักหมดเลยเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮ์ให้นบีพิจารณาการพูดใส่ร้ายนาบีเป็นบาปใหญ่ต้องการจะบอกตรงนี้ฉะนั้นที่พวกเขาใส่ร้ายนาบีม่มมันนะ่ะเป็นบาปใหญ่นะ อะไรบ้างซาฮิตเป็นมายากรกาหินหมอผีมายานูนเป็นคนบ้านั่นรอยลูลามมัสฮูรอเนี่ยคานี้เนี่ยนะเป็นคําตําหนิท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็คนที่ตําหนินบีมุฮัมมัดถ้าไม่เต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่นงานตอนตายแต่บางทีอัลลอฮ์ก็เล่นงานก่อนตายก็มีใช่ไหมอย่างเช่นที่ข่าวที่ออกมาเนี่ย คนที่รอเรียนนบีมุฮัมมัดเขียนกระตูน ร, ร, รอเรียนน่ะถูกเผาถูกไหม้ตายตายไปแล้วนะเนี่ยค่อยๆเล่นช้าๆใช่ไหมท่า น, นพวกเราเนี่ยจะต้องไม่ตำห น, นินบีมุฮัมมัดลองลองในมุสลัมนันอยาบแอนติซุน่านบีมุฮัมมัดไม่ได้เลยต้องพยายามเรียนให้รู้ว่าซุน่านบีคืออะไรแล้วกว็านํ า, ามาปฏิบัตินะครับ อุโรกฟบ ร, บรอบูแล卡ลอัมซาจงดูเถิดมุฮัมมัดพวกเขายกอุทาหรณ์แกท่านนบีมุฮัมมัดอย่างไรพวกเขาเปรียบอุปมาต่างๆแกนบีมุฮัมมัดอย่างไรให้ดูดูดู ด, ดูวันนี้มีไหมมีคนที่ ปฏิบัติตามนบีุู้ม็ถูกตั้งฉายาเหมือนกันวันนี้ถูกตั้งหรือไม่ถูกคณะใหม่อะไรอีก ม, อรกมุดโกมุโดวาฮบีตามมาเต็มเลยตัวครูจันดำอแไรพวกนี้ก็ถูกด่าไปฟอเบลูดังนั้นพวกเขาได้หลงแล้วเห็นไหมนี่คือกุราณาคนที่ตั้งฉายา คนที่เปรียบอุปมานาบีมุฮัมมัดเหมือนอย่า ง, งานั้นเหมือนอย่างงี้เหมือนอย่า ง, งา น, นั้นนีลล่เอาล้อเธอไปเรื่องใหญ่หมดเลยนะแล้วเป็นไงกับฟอบอลูเขาทําตัวหลงแล้วเขาทําตัวหลงอ้าหลงไปยังไงคุตบ้ามันสูบไปยังไงลนะ่ะคันทั้งหลายจกออกห่างจากเรื่องบิดอาร์พอการบิดอาร์นั่นมันเป็มบอลาแล้วและทุกนบอลาแล้วนั่นนําไปสู่ไฟนะรก ฉะน้นบลาละบลาเนี่ยย่านำเอาเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับฟอตต์บบลูคนที่อุปมาใส่ร้ายพูดเปรียบเทียบนบี ม, มุ h ั m m a d เหมือนหมอผีนบี ม, มุ h ั m m a d เหมือนมายากล น, นบี ม, มุ hammad เป็นคนบ้าทั้งหมดเหล่านี้เป็นการยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบที่เลวที่สุดแล้วเป็นไงครับฟอตต์ลูคนที่ยกเปรียบเทียบอุปมานบี ม, มุ hammad เหมือน คนบ้าคนอะไรนะ้าหมอผีเป็นคนบ้าเป็นมายาโกนนั้นบลูพวกเขาหลงหมดเลยฟ้ายัส ต, อติอยนาซบีลาพวกเขาไม่สามารถหาทางใดๆได้เลยไม่สามารถทบทางที่ถูกต้องเลยหลงทางฉนั้นการตำหนิคนว่าคนอย่าทำเป็นบาปใหญ่ โอ๋รอบอกวราฉะนั้นเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่คนตกนรกนะเชิญคุณมากามาเชิญคนนะครับเชิญชวนคนให้เข้าใจาอิสลามอย่าป ไ, ไ, ๆๆๆๆ ไ, ไปไลนะ่นี่นี่นี่ตกนรกไรพีจอร์ดไม่ใช่ในพี่น้องนะอ่าทีนี้มีอยู่คำหนึ่งนะบอลลูคําเนี้พิจารณาให้ดีถือว่าเป็นบาปใหญ่นะคือเขาได้หลงแล้ว ตำหนิคนว่าคนยิ่งตำหนินบีมุฮัมมัดตำหนิอัลลอฮอานตำหนิุนนะนบีทําไว้เหลืออะไรฉะนั้นต้องต้องนั้นต้องตบาตัวต่ออัลลุบฮานะฮูวะ้าลเอาต่อมาครับเรือตำหนิคนนี่ไม่ดีนะอายที่สี่กกอลอิกุนนาอิซมวะรฟาตา อายาที่สี่สิบเก้าเนี่ยเราตั้งตั้งตั้งประเด็นใหม่คือเป็นงนี้นะคนที่อีมานต่ออลัลลอฮ์เนี่ยคือน้องอิมานต่ออลัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่หข้อหนึ่งเอามาใช้ตอนไหนอีมานหข้อเนี่ยใช้เา ม, าามเื่อไรใช้วันนี้นะขณะนี้เนะี่ยเอามาใชา้ขณะนี้เลยหกข้อเป็นงี้ สามข้อนี่เอามาใช้เอามาไว้ในใจเลยและอีกสามข้อวางไว้ข้างหน้าเป็นแมพเลยเนี่ยเป็นไรนะเนี่นะเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นเป็นรถแมพเลยวางอยู่ข้างหน้านี่เลยนะสามข้อเอาไว้ในใจสามข้อเอาไว้ข้างหน้าสามข้อเอาไว้ในใจสามข้อไหนอามันตุบิลละฉันอิมานต่ออัลลอฮ อัลลอฮ์จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าชั้นที่เจ็แต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้เห็นได้ยินบ่าวอัลลอฮ์ทำอะไรกระดิกตัวจะรู้เลยในใจคิดอะไรรู้หมดต้องต้องต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยเห็นด้วยรู้ด้วยได้ยินด้วยข้อที่สองวา马拉าอิกาตี马拉อิกาเนะอยู่กับเรานะนี่ข้อที่สองต้องนึกตลอดเวลาว่าม马拉อิกาอยู่กับเรา คอยบันทึกเรื่องดีแล้วก็เรื่องชั่วต้องนึกตลอดเวลาท่า น, นจะทําอะไรต้องนึกนี่แบบมีกล้องถ่ายอย่างเงี้ยก่อนจะพูดต้องนึกก่อนมันต้องพูดออกไปแต่ภาษามันก็ต้องดีด้วยแล้วบันทึกทั้งหมดแบบทึกแบบเนี้ฉะนั้นมาลายกาบันทึกเรื่องที่สามกอบอ ก, กอดัสต้องอยู่ในใจเลยนะ กอดอกก็ได้หมายความว่ากฎสภาวะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละชั่วโมงนั้นเอเล็กําหนดหมดฉะนั้นที่เรานั่งนั่งอยู่ขณานี้เนี่ยต่ออธิบายหมายว่าไม่ไม่ใช่เกิดเพราะความบังเอิญนอะเอเล็กําหนดวันนี้นั่งกันแค่นี้แหละห้าสิบคนร้อยคนแค่นี้แหละแล้วก็มีใครจะใครเอเล็กําหนดไปหมดแล้วฉะนั้นไม่มีอะไรบังเอิญ จะกลับไปถึงบ้านภรรยายิ้มใส่อ้าวพี่ทานอาหารธรรมดาก็ไม่เคยถามแต่มาจากไหนนี่เรื่องดีทั้งหมดน่ะนี่เป็นกรดกรดดางของอารอลาทั้งหมดจะนั้นต้องนึกตลอดเวลาว่าหนึ่งอลัลลอสองมลายิกะสามกฎสภาวะเนี่ยอัลลอฮอักบัรและอีกสามข้อชายตอนไหนอีกสามข้อเนี่ยคือกูตูบีฮีหมายถึงอคตรอ่อานก่อนแล้วกันนะ จะต้องศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานข้อที่ห้าวรุสูลีฮีเอาเฉพาะนบีุระมาทก่อนสุนนะนานของนบีมีอะไรบ้างนำมามาปฏิบัติวางไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็ข้อที่หกข้อสุดท้ายก็คือวันยาวมิลอาคิดศรัทธาต่อวันสิ้นโลกหมายก่าวตายแล้วต้องฟืน้นผมไปในราชว่าเนี่ย คากับนั่งเครื่องเครเบินนั่งคู่กับพระก็คุยกันอัลลอฮฺพคุยเสร็จแล้วก็ผมก็ถามว่านี่ถ้าท่านฟื้นขึ้นมาในวันีิยามะท่านไม่รู้จักอัลลอนฺทำไงก็ตอบไม่ได้สงสารนะนะอะไรเนี่ย คือไอ้กรัมเนี่ยคือไอ้กรัมเนี่ยใครเป็นผู้ตอบแทนก็ว่ากันง่ายความดีที่ที่เราทํำนี่นะใครตอบแทนคือว่ากรัมตอบแทนเพราะว่าอย่างนักเรียนจะสอบสอบสอ บ, สอบแล้วใครให้ใคะแนนครูแล้วเราไม่มีใครให้คะแนนเลยจะกรัมให้เองเหรอ ก, ก็คุยกันเยอะคุยกันก็สรุปแล้วก็คือว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีพรนะเจาน่ะ ไม่เชื่อว่าอัลล์มีอย่า้เป็นไปด้ว ย, วยกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมหมดอ้มมีปัญหากระอทตนี้ตอนการจะอธิบายอย่างนี้นหนว่าตายแล้วฟื้นไหมฟืน้นถามว่าฟื้นทำไมฟื้นแล้วต้องเอาอัลลอ์ให้เราเนี่ยมาถูกรวมตัวกันที่ทุ่งมกักชัดแล้วก็คิดบัญชีแล้วก็ตอบแทนรางวัลในวันอาคิร์ ทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นอันขาดหลายคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าตายเราฟื้นเอาดูอาญานี้ก็ลูพวกเขาเกล่าวว่าอิซักุนอิมอมเมื่อเราเป็นกระดูกอิรอมอิรอมแปลว่ากระดูกเมื่อเราเป็นกระดูกวาลุฟาตาแล้วก็เป็นไรนะ ปนไปแล้วเป็นดินไปแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วพังไปแล้วเข้าใจไมเมื่อเราเป็นกระดูกตายแล้วกลายเป็นกระดูกตายแล้วเป็นอะไรนะเป็นเป็นปุ๋ยยุ่ยไปแล้วเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยอัลลอฮฺเล่าดังคำพอารเล่าเลยว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยศพบางศพเป็นเป็นหินมีไหมมี ขุดตัวหลังนี่มาเจอใช่ไหมนะ่ะโอ้แข็งเป๊ะเลยใช่ไหมแล้วก็ศพ บ, บางศพเป็นเป็นดินไปเลยหายไปเลยศพ บ, บางศพไม่เน่ามีไหมมีแตกต่างอธิบายยังไงศพมุสลิมบางศพไม่เน่าพี่น้องชาวพุทธเราที่ตายไปแล้วไม่เน่าก็มีแล้วมันแตกตาก่างกันยังไงแตกต่างก็คือว่าศพมุสลิมที่ไม่เน่าเปิดดูกลิ่นหอม ในขณะศพอีกศพหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเปิดดูไม่เน่าแต่กลิ่นเหม็นสังเกตง่ายๆจาเนี่อัลล์ให้แตกตามทั้งหมดน่ะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดองจาะนั้นคุณกาเฟมันถามเนี่ยก็รูอิยากุนนาอิซอมันวารุฟาจันเมื่อเมื่อเราเป็นกระดูกตายแล้วกลายเป็นกระดูกตายแล้วเป็นผยเป็นเป็นปน นะครับยุยไปแล้วเนี่ยว่าอินนาละมะบเอาสูนเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นในกำเนิดใหม่กันนั่นหรือที่ถามที่คิดแบบนี้ที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่นี่นะไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นส่วนใหญ่ก็ไทยพป็นน้งชาวพุทธก็ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมนะ่ะ แต่ของอัลลอฮ์เนี่ยอัตนาบีบัดอธิบายเลยทุกคนตายเท่าไร่ฟื้นเท่านั้นฟื้นทุกคนฟื้นขึ้นมาทําไมครับนึ่งฟื้นขึ้นมาแล้วทําหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งอัลลอฮ์ให้มารวมตัวกันที่ทุ่งมาัสยิวันเตียมะเนี่ยเริ่มเมื่อไหรวันกตียมะเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่อิสลอฟีนเต่าสัง ครั้งแรกแนละ้วเป่าปื้อฮือยี่นันจะดั ง, งไปแบบไงเราไม่รู้ลนะ่ะตายหมดนั่นน่ะเตียมมาแล้วแล้วก็เป่าครั้งที่สองในี่ฟื้นหมดแต่นี้ข้าอธิบายนะอัลลอว่าก็บราติซีตอธิบายดีนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาฟื้นขึ้นมาในวันเตียมมาเนี่ยนะเขาบอกว่ายมฟัดดูนตุรอบอัน อันรูซิฮิมเขามาในมาสลัดสลัดเลยนะสลัดฝุ่นออกจากศีรษะของเขาฝุ่นติดหัวพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยสลัดหมดเลยทุกคนสลัดหมดนะแล้วก็จะพูดว่าอย่างงี้ละอิละฮะอิละลลอคนกาฟเฟก็พูดไหมพูดคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนะก็พูดอย่างนี้แหละละอิละฮะอิละลลอ แลวก็ม oh. ill ุสลิมกล่าวต่อไปอีกอ il ัลฮ il ัมด ill ุลิลลาฮิลลัติอัลฮบะอันนัลฮะจันอ่าแค่นี้แหละกาอยู่สองวนะละอิลลอิลลอหพอฟื้นขึ้นมาจากกโบสเนี่ยกล่าวว่าไงนะละอิลลอิลลอห์และอีกว่กหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัติอัลฮะบะอันนัลฮะันขอบคุณอัลล์ที่อัลลฮ์ให้ฉัน ไม่มีอันตรายใดๆขจัดความเสียใจโศกเศร้าเนี่ยออกไปจากตัวของเรานี่มุมินพูดคนกาเฟตก็พูดเขาถามว่าคนกาเฟตพูดแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ไหมไม่มีเพราะวันที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยไม่ใช่วันของการทำงานฉะนั้นกาเฟ่จะพูดหรือไม่พูดผลบุญไม่มี ผลบุญต้องอยู่ตรงนี้วันนี้ใครจะทําความดีต้องทําวันนี้ถ้าไปว่าหลังจากตายแล้วอัลฮัมดุลิลละจะเอารว า, าวันจะอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ไหมไม่ให้ไม่ให้ตั้งแต่วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะ่ะใครจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีจะบริจาคทําบุญอัลลอฮฺไม่ให้ตั้งแต่โลกดุนยาแล้วฉะนั่นคนกาเฟตจะกล่าวหรือไม่กลา่าวเท่ากัน แต่มีอีก ok ุลมะอีกท่านหนึ่งอธิบายดีนะกุ้งอานนี่แหละอธิบายบอกว่าคนกาเฟชจะพูดอย่างนี้พูดบอกว่า s u b h ะ n a k a w a b h a m d i ่ a พูดแค่นี้นะ s u b h น n a k a wabhamdika มหาบุิสุดยิ่งด่อัลลอฮ์ขอขอบคุณอัลลอ์และพูดอย่างนี้ ya wailana ya wailata มัมบาอังสนามิมมาร์โคดีนา่าที่ภาษากุงรานใช่ไหมแปลว่าได้แย่แล้วฉันใครนะ่ะให้ฉันฟื้นขึ้นมาจากกูโบฉันนอนอยู่ในกูโบดีๆนะ่ะและใครเนะี่ยปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมาจากที่นอนของฉันอ้างแสดงว่านอนอยู่ในกูโบสัมับคนกาเฟนะ่ะเป็น เนรางวัลนั้นยิ่งใหญ่นะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันหนักกว่านอนอยู่ในกูโบใช่หรือไม่ใช่ใชถ้าอย่างนั้นไม่พูดหรอกขอใครเนี่ยใหย้ฉันฟื้นมาจากกูโบนอนอยู่ในสงสารนะ่ะมันดีอยู่แล้วแค่มแมลงปลอมพันตัวรุมกัดงูมาฟัดหมื่นตัวแค่นี้เองตอนนี้มาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเจอเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรแต่อะไ ร, ะไรฮะดู นักอยู่ในกุโบเลยพูดว่าย่าไวลานายาไวล่ต่มัมบาอาสนามิมากดีนาหรือย่าฮัสรอตานาอาจจฟารรอตุฟีจับบิลเสียใจเหลือเกินที่ฉันเนี่ยลืมอัลลอฮ์ตอนอยู่บนโลกดุนยามุสลิมก็กาวนะมุสลิมที่ข้าวเอาศาสนาปีละสามวันนะเอาศาสนาแค่สามวัน่ะ ตอนไหนแค่สามวันนะตอนเกิดตอเกิดไปตามไปตามอินามตามตัวครูมาสิมาทําอะไรอกีก็อ่าหลังจะทำํำอีกก็เกิดกอิสระแล้วก็ตอนลูกสาวจะแต่งงานกันลูกชาจะแต่งงานอ่าไปตามตัวครูมาสินี่มันในการที่การมันนรมนนจบไปแล้วก็ตอนตายครับไปตามตัวอินมามังตามกรมการสโเรา ม, มานี่จัดมายิดหน่อย เอาศาสนาแค่สามวันวันเกิดวันนี้กะวันตายนอกนั้นอิสระฉันจะอยู่ยังไงเรื่องของฉันบ้านฉันจะเปิดเพลงเรื่องของฉันลูกจะนมาดไม่นมาดเกี่ยวอะไรกันเองมันบ้านฉันนะท่านคนที่เอาศาสนาแค่สามวันนะตายต้อเจออย่างนี้แหละ Ya Hasratana, ala Farrothufi Jambilla, ya walana mamba asana mimar kordina Allah. Hah. <laughs> Tung taka alhamdulillah, tapi tidak berguna. Mengapa? Karena pada saat kita berada di dunia, kita tidak mengikuti agama. Mari kita lanjutkan. Kalu Aida kunna Aida, mereka mengatakan bahwa ketika k i n j a d u แล้วก็เป็นปุ๋ยไปแล้วเป็นผงไปแล้วผล ป, ปี้ไปแล้วยุ่ยไปแล้วออินนาเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นในกําเนิดใหม่กันนั้นรือ๋อเป็นน้องทั้งหลายอะอ อ, อ, อินนาเนี่ยเป็นคําถามนะเป็นคําถามที่ว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อว่าตายแล้วนั่นฟื้น ฉันไม่เชื่อเลยตายแล้วฟื้นถ้าจะฟื้นก็ฟื้นมาใช่คนเป็นแพะเป็นแกะเป็นแมวเป็นหนูไปนูน่นนะนี่เหมือนกันนะต้องการจะอธิบายที่คุณเชื่อนะ่ะผิดหมดนะถ้าตามเอาลอแล้วต้องเชื่อตามอัลลอฮ์สุภานะฮูวะตาล่ะนะครับอัลลอฮ์ตอบเลยนะครับกุล์มูฮัมหมัดเออจงตอบเขากูนูหากท่านทั้งหลายเป็น หิจาโรตันเป็นอะไรเป็นหินเอาหดีดันหรือเป็นเหล็กเอา้าคณตายไปแล้วอยู่ในกุโบน่ะพันปีสองพันปีหมื่นปีหรือแสนปีก็ตามคุณกลายเป็นหินไปแล้วหรือกลายเป็นเหล็กไปแล้วคุณก็ต้องฟื้นหมดนี่คำอธิบายของอัลลอฮ์สุขานอ阿拉ผ่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละอิบรอสัลลัม พี่น้อง อ, อัลลอฮฺอั่กุรอานนะทีนี้เราเนี่ยเคยสงสัยบ้างไหมมันจะเกิดฟื้นยังไงนี่ฝนกำลังตกพอดีนี่นะสังเกตดินะหญ้าทุ่งหญ้าที่มันหญ้าแห้งแหงแล้วนี่นี่ อ, อัลลออธิบายเลยนะแห้งแล้งพื้นดินที่แห้งแล้งเนี่ยให้ฝนตกลงม า, อ, าอัลลอให้หญ้าขึ้น นั่นอธิบายยังไงนั่นอธิบายว่าคนที่อยู่ในกูโก์กฟื้นแบบย่านี้แหละเหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะอัลลอฮ์สุบฮานาบูอนะครับเอาต่อมาอายะที่ห้าสบเอ็ดเอาคอลกอนเมมมายักบูรฟิสูดูริกุมอายะนี้เรากาจะอธิบายอย่างนี้อะไรที่แข็งที่สุดในโลกดุนยาใบนี้ อะไรที่แข็งที่สุดบนโลกดุนยาใบนี้เราว่าหินแข็งใช่ไหมแล้วก็เหล็กแข็งไหม แ, แต่เราบอกไม่ใช่ที่แข็งกว่าเหล็กที่แข็งกว่าหินคือหัวใจกระด้างหัวใจจะกระด้างนะหัวใจเนี่ยแข็งสุดๆเลยถ้าเป็นหัวใจกระด้างนะโอ้โหพวกนี้มันปฏิเสธสุดๆเลยจนะ่ท่านที่ว่าหินแข็งนั่นไม่ใช่ เล็กไม่ใช่หัวใจหัวใจนีแ่แข็งสุดเลยนะอาทีนี้มีคําอธิบายต่อไปอีกวันที่อลัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาเนี่ยโลกมันโค้งเค้งนะ่ะมาลายกาบอกยาอาลัลลอฮ์โลกโค้งเค้งคนอยู่ลําบากยืนอยู่ลําบาก อ, าอัลลอฮ์เดจันจะทําให้เอาภูเขามาพอสร้างภูเขาตึงโลกไม่ให้มันโค้งเค้งอลัลลอฮ์ถามว่าเป็นไง โอ้ภ oh, ูเขานี่แข็งน่าดูเลยมลลกาก็ถามว่าที่แข็งกว่าภูเขามีไหมมีอะไรอะ่ะเหล็กสามารถทําให้ภูเขาระเบิดได้อถามเตกย า, าลอที่แข็งกว่าเหล็กมีไหมมอีอะไรอะไรย า, าลอไฟไฟทําให้เหล็กมันละลายได้พอมลลิกาไปดูไฟเออจริงจรจริ ง, รงก็ถามต่อเอง ที่แข็งกว่าไฟมีไหมเราบอกมีอะไรอย่างละเราว่าน้ำไงทําให้ไฟดับได้ถามอีกที่แข็งกว่าน้ํา ม, มีไหมมีไม่มีมีอะไรครับลมทําให้น้ําเป็นคลื่นได้ที่แข็งกับลมมีไหมเราบอกมีหัวใจหัวใจที่ที่กล่าวว่าเลย อ, อละไอท่านแข็งสุดเลย อันนี้คืมันการต้องการจะบอกว่าหินหรอือเล็กเรื่องเล็กเล็กหรือเรื่องเล็กอะไรที่แข็งมิ ม, มายักบูรุฟีสูดูริกุมนี่ไงพี่น้องหรือกำเนิดใดที่แข็งยิ่งในหัวอกก็คือความนึกคิดของมนุษย์อะไรที่อยู่ในใจของมนุษย์นะแข็งที่สุด โลกโลกโดนโลงใบนี้มันทะเลาะ ก, กันเพราะหัวใจทั้งกันสามีภรรยาเนี่ยถัดใจยอมกันทะเลาะกันไหมไม่มีปัญหาวันนี้ที่มันยอมเมียอยู่ไม่ยอมสามีสามีไม่ยอมภรรยาบาดแตกไหมหรือเจ้ามียก็ขาวว่าตอนลากเข้ามาเอาอยากันก็เพราะหัวใจนั่นแหละฉะนั้นหัวใจใหญ่สุดหัวใจแข็งที่สุดก็พูดดีนะ นิมายักบูรูฟีซูดูรีกุมที่แข็งที่สุดก็คือในหัวใจคือความคิดนะครับที่อยู่ในใจของท่านทั้งหลายอัลฮัมจุริลลาขอบคุณอัลลอสุบนาลวะอาต่อมาครับฟาซายากูลูดังนั้นพวกเขากล่าวว่าไม่อยู่ไอดูนาะผู้ใ ด, ดเล่าจะให้เรากลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ถามก็กถามมูฮัมหมัดล้วว่ามาท่านอสอนมานานแล้วตายแล้วฟื้นถึงจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นหินก็ฟื้นเอาล่ะเราว่าฟื้นนบี ว, ว่าฟื้นก็ถามว่าแล้วเมื่อไร่อยางเมื่อไหร่ท่านสอนมาจนกระทั่งนี่ท่านก็ใกล้จะตายแล้วไม่เห็นฟื้นสักทีไงอ่าเป็นอย่างนงี้น้องทีนี้ เมื่อไรจะฟื้นเนี่ยใครรู้ไหมไม่มีใครรู้เป็นความลับอยู่ห้ารายการนะครับไม่มีใครรู้เลยหนึ่งวันเกียามากจะเกิดเมื่อไหรไม่มีใครรู้เห็นไหมขับอธิบายอายะอื่นสองลมฝนตกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้าาา ส, ารรรสามเด็กที่อยู่ในคันมารดาไม่มีใครรู้ว่าเป็นอ ะ, อะไรเนี่ยไอเพศหญิงเพศ ช, ชายยังพอเดาเดาไดา้ ไอ้รายละเอียดอื่นๆน่ะเช่นจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ผิวขาวผิวเหลืองผิวดํารู้ไหมไม่รู้สติปัญญาจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เป็นความลับหมดเลยแล้วข้อที่สี่ตัดตายในแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้ข้อที่ห้าท่านจะปฏิบัติอะไรในวันพรุ่งนี้จะมีอาชีพทําอะไรในวันพรุ่งนี้เรื่องพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยเนี่ยต้องมอบหมายตนต่อรอฉะนั้น มาตาอยู่อ้ดูนาพวกเขากล่าวว่าไม่อยู่อ้ดูนาใครล่ะที่จะให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคำตอบกุลโมอาหมดัดตอบผู้ที่จะให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออัลลอฮฺฟาปาโรกุมอาวาลามะรอคือพระองค์ผู้ทรงบังเกิดท่านมาแต่ครั้งแรก ตอนแรกมายังไงอะ่ะเราก็จำความไม่ได้ก็มาจากน้าอาุูจิไงอาุูจิผสมกันในมดลูกกลายเป็นก้อนเลือดแล้วก็กลายเป็นก้อนเนื้อแล้วก็กลายเป็นกระดูกมีเนื้อหุ้มกระดูกครบร2 0ยี่สิบวันเอารอ์เป่าวิญญาตอ์นั่นแหละจะให้ท่านฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครางหนึ่งอันนี้สอนอะไรเรา สอนให้เรานั้นรำนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาคนเราในนั้นเวลาตําแหน่งมันสูงๆมันก็ลืมอ่ะเอ๊ะกูเองตัามาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากนามมสุจิเนี่อ๋อดูสิรูปร่างรอเลยบ้านใหญ่โตรถตั้งหลายคันตาแหน่งกันเยอะมันทีมันลืมแะนั้นถ้าอ่านกุอานโอลเราเนี่ยมาจากน้ามมสุจิเลยเนี่ยทาไม เถียงแข็งอย่างนี้แหละก็ใจงนะใจใหญ่สุดนะไม่ใช่หินแข็งสุดนะไม่ใช่นะไม่ใช่เหล็กแข็งสุดอะไรแข็งที่สุดหัวใจยิ่งหัวใจที่ปฏิเสธอินกาปฏิเสธนะ บ, บีนั่นแหละกูอ่านสุรบกกรอบมีผ่านมาแล้วว่าไงนะอ อ, อะไรหิน แล้วว่าหินนะมันแข็งนะไม่ใช่ที่แข็งก็หินก็คือหัวใจอัลลอฮฺว่าที่ทรยศ ต, ต่ออัลลอฮฺเนี่ยน่าจะแข็งที่สุดนอ๋อเอ้าตัวลมกระพุ้ที่จะให้ฟื้นคือมาอีกครั้งหนึ่งก็คือคนที่สร้างท่านมาตอนไหนตอนช่วงแรกๆจะเปน็ปนตามเป็นนามมอสุจิ <S <S ต่อมาครับฟาซายุนรีดูนอีไลกาอูสหุมการนั่นพวกเขาก็สั่นหัว ของพวกเขายุนรีดูน่ะนากอด๊อดนี่แปลว่าทนอน่างงี้เอาขึ้นเอาลงคือจ น, จนจนจนจนปัญญาเนี่ยเราเนี่ยปฏิเสธว่าตายเราไม่ฟื้นมุ่งมัด ส, สอนว่าฟื้นฟังแล้วก็สันหัวที่สันหัวเนี่ยไม่เชื่อนะกูก็ยังจะดันต่อไป เขาจะดันต่อไปว่าตาแล้วก็ต้องไม่ฟื้นถ้าฟื้นก็มาช่ฟื้นเป็นคนต้องเป็นแมวเป็นไก่ไปนะ น, นี้เป็นตนดันไปเลยอ้าวดันก็นดันไปนะครับฟาซยุนเคดูนาอิลัลกรูซะฮุมการนั่นพวกเขาก็สั่นหัวของพวกเขากแกนบีมุฮัมมัดวายกูลูนและพลางกล่าวว่ามาตาหัว ถ้าเรื่องการฟื้นขึ้นเป็นเรื่องจริงเมื่อไหร่เมื่อไร่เมื่อไร่เมื่อไหรเมื่อไร่ะไระไรจะฟื้นเอาหลอคาต่ออยู่ในคัมภีร์ลกุรอานอยู่แล้วเมื่อไรฟื้นวันที่มาลาอิกาเป่าสังนี่ต้องการจะคุยว่าตายแล้วฟื้นนะไอ้ฟื้นเนี่ยมาลาอิกาเป่าสังครั้งแรกฟื้นหมดเลยอธิบายแล้วใช่มหม พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยทางมุสลิมมาเจอมุสลิมเอามือตะปัดผมตัวเองแล้วกล่าวว่าไง่ายอัลฮัมดุลิลลอฮิลลอฮีอัลฮะบะอันอัลฮะซันขอบคุณอ Allah ที่ไรนะนี่มุสลิมกล่าวนะกาเฟ่ไม่ได้กล่าวนะคนกาเฟ่กลาวอย่างเดียวละอิละอิละลอคิดถัวเห็นมุสลิมกล่าวก็ก้าวด้วยจะเอาผลละบุญหมดสิ้น แต่มุสลิมกาวอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลัติอัลฮะบอันนัลฮะซันขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ไม่ให้ฉันเนี่ยเสียใจเลยตอนอยู่ในกูโบนอนสบายมากผมอ่านภาษาอู่ดูกับ่าคนที่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยเป็นการพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาตอนวันทองทีทุกข์มาชาัดนะ่ะพอฟื้นขึ้นมาไปกินเบรคฟาสต์ที่ไหนที่ใต้บันลังอัลลอ์อาหารเช้า แล้วก็เดินไปกินน้ำการบ่อ น, น้ำากาซัสน บ, บีตักให้ดืม่มแก้วเดียวอึกเดียวแล้วก็อาหารนั่นนะละั่นอาหารกลางวันในสวนสวรรค์เนื้ออะไรเนื้อนกทอดเตรียมไว้พอเข้าไปก็เจออาหารกลางวันเลยไม่เหนื่อยครับสำหรับผู้ศรัทธาต่อ Allah, อัลลอ Allah, คค์คนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์คนที่นมาคนที่รักษาศาสนาคนที่มี إ ي م าน หข้อเนี่ยสามข้อเอาไว้ในใจแล้วก็สามข้อวางไว้ข้างหน้าเนี่ยอิชชาอัลลอฮ์ะนะครับกุลอาสไอยกูนกรีบาจมปราเธอนมุฮัมมัดเรื่องการฟื้นขึ้นใกล้เข้ามาแล้วนี่คำตอบปรีบาแปลว่าใกล้แล้ ว, ว, ลลวไอ้คำว่าใกล้เนี่ยใกล้จากนึง สัญญาณว่าใกลน้น บ, บีมุฮัมมัดเสียชีวิตนั่นกิยามัดใกล้แล้วสองกิยามัดใกล้จะจะมาถึงแล้วสัญญาณอัลลอฮ์ให้เห็นเยอะไปหมดเลยมีสัญญาณอยู่สองอย่างสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กกัเนี่ยคนชอบเลี้ยงหมามากกว่าเลี้ยงลูกคนทําซีนาก็เยอะขึ้นกินเหล้ากินยามากขึ้นฆ่ากันเยอะขึ้นที่สัญญาณเล็กส่วนสัญญาณใหญ่ก็รอดีตะวันขึ้นทางทิศตะวันตก เราก็จะมีสัตว์ดาบปะตุลอัลดีที่โผล่ขึ้นมาจากอะไรนะซาแอกมาลวะระหว่างกางบ้านเนี่ยโผล่ a, มาตรงนั้นเราก็วิ่งไปตามโลกทั้งหลายไปประทับตาที ate, ่นาผักกาเฟตกาเฟตกาเฟกาเฟตกาเฟตเนี <dec> ่ยสัญญาณใหญ่ท <California> <te ase> ั <Dawn> <te ase> ้งหมดเลยก็ขอดุทิศต <te> ่อรอนะครับให้เราเชื่อพี่น้องเชื่อว่าวันเกียรม่านมีจริงอิมันโอโหตามมาเต็มเลยที่ด้านตัวอย่างเยอะคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ย ซ า, าบานบดุทุกคนตัวหมดท่านอบูเลร้องเองก็ร้องไ ห, ห้ทำร้องไห้ทําไมอ่ะนี่กว่าจะถึงวันเจียมากเนี่ยฉันกลัวความดีที่สะสมไว้กลัวจะไม่พอไอเร า, าขาดน้ำมาตั้ลายเยอะล้อไม่เห็นมีใครกลัวสักคนนึงพยายามฝึกตัวเองนะนะให้เรากลัวอัลลอฮฺสุบตาระเยอะๆนะนครับพี่น้องเอาละครับ Atiwayi muda wanita. Subhanallahumma bihamdi kasholalla illa illa anda. Astaghfirullahu bi lail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.